จำพวกที่อาศัยศพเน่าจำพวกที่อาศัยในขนมกุมมาดเก่าจำพวกที่อาศัยในน้ำครามจำพวกที่อาศัยในหลุมโซโครและอื่นๆที่อาศัยของโศโครเหมือนกันคนพานเห็นแก่กินด้วยความติดในรถอาหารเขาทำกรรมลามกเอาไว้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเดรัจฉานกินของเน่าเหม็นประการต่างๆ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 ไม่อาจาเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากแสงอาทิตย์อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตไม่อาจส่องเข้าไปถึงคือแค่200เมตรก็มืดสนิทแล้วแถมใต้น้ำลึกขนาดนั้นยังไม่ค่อยมีสารอาหารซึ่งจาเป็นสูงสุดสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกตั้งหากแต่ทว่าความปักใจเชื่อเช่นนั้นถูกทำลายลงสิ้นนับแต่มีเรือดาน้าไคโกะ ซึ่งดิ่งลงไปได้ถึงจุดที่ลึกที่สุดในโลกคือก้นบึ่งหมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีชื่อเรียกว่ามาเรนาเทนจซึ่งลึกหนึ่งหเมตรหรือราว11กิโลเมตรณจุดที่มีแรงดันมากกว่าแรงดันอากาศ 1,100 เท่าเจ้าตัวน้อยเช่นปูขาวขนาดเล็กนอนทะเลกุ้งเผือกปลาจิว๋ว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 ด้วยยานอย่างรู้ครอบทั่วก็ไม่ต้องมาล้มล้างทฤษฎีเก่าด้วยการสร้างทฤษฎีใหม่ร่าไปโลกนี้มีคําอธิบายที่ฟังขึ้นและสมเหตุสมผลด้วยหลักกรรมวิบากเราต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตใช่มาจากการสืบพันธุ์อย่างเดียวถว่ามีกรรมเก่าบังคับให้ต้องมีรูปชีวิตแบบหนึ่งขึ้นมาก่อนจากนั้น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 เมื่อใดจะศูญพันธ์เมื่อ น, นั้นระบบการคลอดจะล้มเหลวอย่างลึกลับเช่นสัตว์มีคันจะแทงพร้อมกันทั่วนหน้าไร้คำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์การทยอยศูญพันธุ์ของเหล่าสัตว์ช่วยให้เราคิดได้ว่าบางพันุ์เป็นเพียงเผ่าพันธุ์เฉพาะกิจเหมาะสำหรับรับกรรมของสัตว์จาพวกหนึ่งพอไม่เหลือสัตว์ที่ทากรรมอันเข้ากันได้